ไม่ทำอย่าไปทมันเสีใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาอย่าไปดัดแปลงจิตของเราจิตเป็นยังไงก็คอยรู้ไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัตินั้นไปติดดีอยากดีกลัวมันไม่ดีก็เลยพยายามรักษาจิตมากเลยเมื่อไหร่เราลงมือรักษาจิต น, นโลภะมันเกิดแล้วตั้งแต่อยากรักษาอยากให้มันดี เครื่องมือที่จะใช้รักษาจิตจริงๆนี่คือสติถ้าเมื่อไรสติเกิดขึ้นสติจะทําหน้าที่รักษาจิตเราไม่ต้องรักษาถ้าเราอยากรักษาจิตเมื่อไหร่นะมันทําด้วยโลภะลนะ้สตินะ่ะมันมีลักษณะว่าเป็นธรรมชาติที่ระลึกรู้อารมณ์ตัวอื่นๆระลึกรู้สภาวะที่กําลังปรากฏลักษณะของสติ สติทำหน้าที่เราจะรู้เมื่อสติทําหน้าที่แล้วเนี่ยสตินั่นแหละจะเป็นเครื่องคุ้มครองอารักขาจิตคือทันทีที่เกิดสตินะอกุศลจะดับทันทีทันทีที่เกิดสติอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ทันทีที่เกิดสติกุศลได้เกิดขึ้นแล้วเพราะตัวสติเป็นตัวกุศลและเมื่อสติเคยเกิดแล้วตัดไปอกุศลต่างๆมันจะตามมา กุศลทั้งหลายนะถ้าเรามีสติแล้วกุศลทั้งหลายถึงมีโอกาสเกิดอย่างพอมีสตินะก็เกิดฮิริอตตาปะหมายถึงกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราเราก็รู้ทันนะเราละอายที่จะทํากรรมชั่วเพราะาเราเห็นกิเลสแล้วมองเห็นนะเห็นความน่าเกลียดของตัวเองอย่างพวกเราพอนาเราเห็นกิเลสเราแย่ๆเลยน่าเกลียดเรารู้สึกลายใจบางคนโมโหเลยไม่ใช่ละอาย เรามีความลายต่อบาปมีความเกรงกลัวผลของบาปเราไม่ทํำกรรมชั่วนะศีลมันเกิดขึ้นเองมันมีความสํารวมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลากระทบอารมณ์เนี่ยกิเลสฝุดขึ้นมาสติก็รู้ทันงั้นมีสติแนละมีฮิริโอตตะ ป, ปะมีความละอายมีความเกรงกลัวบาปพอมีฮิริโอตตะ ป, ปะและอินเซียสังวรก็เกิดขึ้นเองเกิดสํารวมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเอง เพาะถ้าไม่สํารวมแล้วอกุศลมันจะครอบงําจิตสํารวมก็คือการมีสติรู้ทันนั่นเองมันสมรวมอัตโนมัติเลยนี่พอมีความสํารวมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแนละศีลมันก็จะดีขึ้นมาเกิดศีลมาจากสติทั้งนั้นเลยเมื่อมีศีลแล้วใจเราไม่คลุกคลีในความชั่วร้ายทั้งหลายใจก็สงบง่ายใจตั้งมั่นง่ายมีสมาธิขึ้นมา พอมีใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วสติระลึกรู้อะไรด้วยจิตที่ตั้งมั่นก็จะเกิดปัญญาจะเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นเลยไม่มีตัวเราความโลภก็ไม่ใช่ตัวเราความโกรธความหลงก็ไม่ใช่ตัวเรากุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเราอะไรๆก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าสติระลึกถึงร่างกายก็จะเห็นอีกร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะ นี่จะเห็นได้ต้องอาศัยสติไประลึกรู้รูปธรรมนามธรรมด้วยจิตที่มีสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาเมื่อปัญญาแก่รอบเนี่ยจิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจเรียกว่าวิมุตต์ไม่ยึดถือแล้วหลุดพ้นออกไปพ้นจากกายจากใจเมื่อเกิดวิมุตต์แล้วนะสติปัญญามันก็อย่างรู้ลงไปถึงความพ้นทุกข์ที่เกิดขึ้น รู้ถึงสภาวะที่พ้นจากรูปธรรมนามธรรมรู้ถึงสภาวะของนิพพานเรียกว่าวิมุตยานทัศนะเนกุศลทั้งหลายนะมันมีสติถ้าไม่มีสติก็ไม่มีกุศลเฉะนั้นเราฝึกสติเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรหรอกหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะสติเกิดจากมีทิรัสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิด หน้าที่ของเราก็หัดรู้สภาวะไปบ่อยๆลืมคำว่าปฏิบัติซะคำว่าปฏิบัตินะั้นะมันทำให้เราดัดแปลงตัวเองให้ผิดธรรมชาติพอเราคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไรนะสิ่งที่ทาถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจทำได้แค่นั้นเองถ้าบังคับกายบังคับใจก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เพราะกายกับ ใ, ใจผิดความจริงไปหมดละให้เราคอยรู้สภาวะทุกอย่างนะ อะไรเกิดขึ้นในกายก็คอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจก็คอยรู้สึกรู้สึกเล่นๆไปด้วยถ้าทำได้อย่างนี้สติจะเกิดขึ้นมาแล้วกุศลทั้งหลายจะตามมาเป็นแถวเลยกว่าจะจับต้นทางตัวนี้ได้ลาบากนะ mm. ค่อยคลำคลำภาวนาตั้งนานนะ่ยอจับต้นทางตัวนี้ได้แล้วการภาวนาง่ายนิดเดียวเลยเราไม่ได้ทาอะไรหรอกสติปัญญาทั้งหลายเขาทาหน้าที่ของเขาเอง สติทำหน้าที่ระลึกรู้รูปธ ร, รรมนามธรรมที่ปรากฏปัญญาทำหน้าที่เข้าใจทุกสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นไตรลักษณ์ไม่มีตัวเราเป็นหน้าที่ของสติหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่หน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่ใช่หน้าที่ของเรานะพนาไปถึงวันหนึ่งเนี่ยจิตไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจฉีดพ้นทุกไปถามว่าพอพ้นทุกแล้วทุกมีอยู่ไหมทุกมีอยู่ขันห้ายังเป็นทุกอยู่ไม่ใช่ขันห้าเป็นสุข แต่จิตมันพ้นทุกคือมันพ้นจากขันธ์หไม่ยึดถือขันธ์หร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนะจิตใจก็ยังบริสุทธิ์ผ่องใสยอยู่อย่างนั้นเองไม่เศร้าหมองความสุขความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นจิตก็ยังบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่อย่างนั้นเองกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นจิตก็ไม่ได้หลงยินดีของมันอกุศลไม่มีช่องว่างให้เกิดขึ้นมาถึงเกิดขึ้นมาก็ไม่สามารถย้อมจิตได้ตัวนี้เข้าใจยากบางคนงงว่า ทำไครูบาอาจารย์บางองค์ท่านพูดแปลกๆมีคนไปถามหลวงปู่ดุลว่าหลวงปู่มีโกรธไหมท่านบอกมีแต่ไม่เอาหลวงปู่เสาเคยบอกหลวงพ่อพุธบอกเน้นวันนี้จิตของข้าไม่สงบเลยฟังแล้วงงทําไมท่านที่เราได้ยินข่าวเล่าลือว่าเป็นพระอรหันต์ทำไมพูดอย่างนั้นท่านพูดของท่านจริงๆขันนะส่วนขันนะแต่กิเลสย้อมจิตไม่ได้ เคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามราคะไหมท่านบอกท่านไม่มีกามราคะเพราะท่านไม่มีการมวิตกต์เลยท่านไม่ได้บอกว่าท่านไม่มีกามราคะนะแต่ท่านบอกท่านไม่มีกามราคะเพราะไม่มีการมวิตกต์ไม่มีเหตุของมันต่างหากคือใจนี่ไม่ไปตรึกในอารมณ์เหล่านี้ไม่ไปตรึกไม่ไปหยิบไปยกขึ้นมาพูดแล้วฟังยากต้องภาวนาวนะ ถึงจะเข้าใจสภาวะที่จิตไม่มีอะไรปรุงแต่งได้แม้ความปรุงแต่งยังมีนะแต่ไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้ท่านถึงพูดว่ามาบรรลุพระอ ร, ราหันต์นะจิตเข้าถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้จิตมไม่มีอะไรปรุงแต่งได้แต่ไม่ใช่แปลว่าไม่มีความปรุงแต่งพวกเราหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระอระหันต์แล้วไม่มีความปรุงแต่งไม่มีความปรุงแต่ง่าพูดรู้เรื่องหรอ พูดออกมาได้ประสมมูิบัญญัติออกมาได้ก็ปลูกแต่งทั้งนั้นแหละเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติให้ยากเกินจริงเราชอบวาดภาพการปฏิบัติต้องทําอะไรที่เหนือมนุษย์ยากยากต้องทำมานานๆล้มลุกลุกคลานนานๆเมื่อวันหนึ่งอยาบรู้มรรคผลนิพพานถ้าไม่ได้เจริญสติปัฏฐานไม่ได้ทํำมิปัสสนากรรมฐานนั้นยากแค่ไหนก็ไม่บรรลุหรอก ย่งไปเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำอดกินอนอนอนะไนัหวังว่าจะบรรลุนะไม่บรรลุหรอกทาด้วยโลภะแต่นี้ไม่ไม่ใช่อย่างที่บางท่านท่านทํานะบางท่านท่านเดินมากๆเพราะว่ า, าสติเกิดท่านมุ่งเอาสติท่าไม่ได้มุ่งเอาความภาคภูมิใจว่าฉันปฏิบัติเยอะหรือบางท่านท่านอดนอนผ่อนอาหารในไรพวกนี้เหตุนั้นเพราะท่านทําแล้วสติเกิดบ่อยท่านก็เลยเลือกเดินเส้นทางที่ทําให้สติเกิดบ่อย ท่านรู้หรอกว่าตัวที่ทําให้ท่านบรรลุมรรคผลนิพพานนะคือตัวที่มีสติมากๆรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่เพราะอดนอนพ่อนอาหารหรือทําความทุกข์ยากอะไรให้แก่ตัวเองคนละเรื่องกันงแต่ว่าจริตนิสัยบางคนนะอดนอนพ่อนอาหารเดินโจงกรมหนักๆอะไรนี้แล้วสติเกิดบ่อยเั่นตัวที่มุ่งไปให้เกิดบ่อยนะคือตัวสติสตินั่นแหละสาคัญขาดสติตัวเดียวนะอากุศลเอาไปกินหมดเลย เราฝึกตัวเองให้เกิดสติสติเป็นความระลึกได้อย่าไปคิดนะว่าสติแปลว่ากำหนดคนรุ่นหลังแปลผิดนี่หลังๆหลวงพ่อชักบวดหัวขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะพวกที่ชอบไปเข้ากรรมาฐานกำหนดกาหนดมานะ3วันเจวันเลยบางคน3วันสติแตกมานะเมื่อวานก็มีหอบพี่อุนม า, มานวันน้นอาทิตย์ก่อนก็มีพระมาพระก็เป็นกาหนดมากเลยนะจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลย ทำตัวเหมือนต้นไม้เหมือนก้อนหินไป้ไม่รู้เรื่องเลยกระดุกระดิกยังไม่ได้เลยตัวแข็งเลยคิดว่าเนี่ยกรรมฐานมีแต่งกลอนไว้ด้วยนะเมื่อเข้าสมาบัตตัวแข็งแจ้งชัดประสาทยหยุดงานหมดความรู้สึกคิดนึกทุกสถานอารมณ์นิพพานบารมีสุขสันต์มันมันสุขสันตรงไหนมันกลายเป็นก้อนหินมันสุขสันตรงไหน เดี๋ยวนี้เลยปีภาละนะอุย๊ยไปภาวนาเพี้ยนมาแล้วหอบผิวกันมาแก้ยากนะแก้ยากเสียเวลามากเลยเพราั้นไม่ควรจะเที่ยวร่อนเร่ไปเข้าวัดโน้นวัดนี้เข้าคอสโนนคอสนี้อะไรหรอกศึกษาธรรมะให้ดีก่อนจับหลักของการปฏิบัติให้แม่นๆ่นก่อนนะเรียนให้รู้เรื่องก่อนแล้วการปฏิบัติมันจะได้ไม่พลาดพลาดแล้วลาบากนะบางคนแก้ตั้งหลายปี มีมันกันละแก้ตั้งหลายปีนะบางทีกำหนดไปเรื่อยมีอยู่คนหูแว่วแ ว, วแ ว, วมาเรื่อยๆก่อนนี้ตั้งแต่เมืองการนะหูแว่วได้ยินตลอดเวลาเลยบางคนก็ยอกไปทั้งตัวนะคอเครียดหลังเครียดบางคนสติแตกเป็นบ้าเนื่อภาวนาผิดๆนะภาวนาไม่มีสติภาวนาไปกําหนดเอากำหนดไปว่ากดไปว่าขมขมไม่มากบังคับไม่มากจิตใจก็เครียด จิตใจเครียดจิตใจมีความทุกข์ทนไม่ไหวนะจิตใจก็หาทางออกด้วยการบ้าเสียเป็นวิธีที่จิตจะหนีความทุกข์ไว้ยังงนต้องเรียนให้ดีนะหัดให้มีสติขึ้นมาวิธีที่จะให้เกิดสติก็คือหัดรู้สภาวะไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะพระพี่ทำสอนไว้เลยเรื่องนี้นี่พวกเราบางคนไม่เข้าใจว่าสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นหัดรู้สภาวะไปบ่อยๆแล้วสติจะเกิดเอง เราไม่เข้าใจตรงนี้เราคิดว่าสติเกิดจากกําหนดก็กําหนดกันใหญ่เลยนะเดี๋ยวนี้ถึงขนาดเริ่มจะบังคับเด็กไปเรียนแะ้วให้คะแนนด้วยนะไม่ไม่ไปเรียนไม่ให้คะแนนหรืออยู่ไม่ครบไม่ให้คะแนนนีถ้าเด็กบ้าขึ้นมาทําไงนี่มาเดือดร้อนเราอีกเลยจิตแพทย์ก็รักษาไม่หายทําไมจิตแพทย์รักษาไม่หายเพราะมันไม่เลิกกําหนดมันทำเหตุของความบ้าไปเรื่อยๆบ้าสิมันเครียดนะ่ย งันตั้งหลักให้ดีนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรที่ยุ่งยากมากมายขนาดนั้นพวกเราไปเชื่ออะไรที่ง่ายเกินไปเชื่อเพื่อนเชื่ออาจารย์เชื่ออะไรตเตลเิดเปิดเฟิงไปพระพุทธเจ้าสอนธรรมะที่ง่ายๆใครเรียนกับพระพุทธเจ้าถึงอุทานทุกคนเลยบอกแจมแจ้งนักพระเจ้าค่าเหมือนเปิดของคว่ำให้หงายนี่คว่ำอยู่นี่หงายยากไห ม, มแค่นี้แค่นี้เดี๋ยากาะ ธรรมะจริงๆต้องง่ายจำไว้นะเพราะประโยคแรกที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพอ่อก็อคือมันง่าย <นะ S 1> การปฏิบัติน่ะไม่ยากท <นะ S 1> ่านไม่ได้ว่าง่ายนะท่านว่ามันไม่ยาก <นะ S 1> การปฏิบัติน่ะไม่ยากนี่ประโยคแรกเลยที่ท่านพูดกับหลวงพอ่อท่านกลัวเราปฏิบัติยากปฏิบัติแบบยุ่งยากซับซ้อนครูบาอจารย์ทุกๆุกองเลยองไหนองค์ไหนเข้าไปเรียนกับท่านแนละท่านบอกง่ายง่ายทุกองเลยมันง่ายนะมันง่ายนะ เราง่ายๆไปแล้วก็จะหยุดนิดนึงแต่มันก็ยากเหมือนกันแหละมันยากมากเลยที่เราจะยอมง่ายเพราะเราคิดว่าต้องยากไว้ก่อนแล้วจะดีอย่างบางคนบอกให้จเจริญสติรู้กายรู้ใจนะั้นไม่ได้เราขอทำอัปปนาสมาธิก่อนโอหน้าตานะทำอัปปนาชาตินี้ไม่สาเร็จหรอกนะงั้นชาตินี้ไม่ได้ละมรรคผลเสียโอกาสลนะไปคิดอย่างนั้นได้ไงมันง่ายไม่ใช่ยาก ใครไปฟังพระพุทธเจ้าถึงบอกแจมแจ้งนักพระเจ้าข่าเหมือนเปิดของความให้ไงายไม่มีใครอุทานสักคนนะว่าสับสนจังพระเจ้าข่ายากจังพระเจ้าข่าลำเค็นเหลือเกินพระเจ้าข่าไม่มีนะท่านสอนอะไรง่ายๆเช่นท่านสอนเรื่องให้มีสติรู้ลมหายใจแล้วก็สอนง่ายๆบอกภิสูจนทั้งหลายให้เธอคู่บันลังคู่บันลังคือนั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะแขกไม่มีเก้าอี้นั่ง คนทั่วๆไปไม่ได้นั่งเก้าอี้ถ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในยุโรปนะท่านจะบอกว่าพิสูุนทั้งหลายนั่งเก้าอี้ที่หลังตรงๆนะคูบันลังไม่ได้แข้งขาเดี้ยงคูไม่เป็น <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องรูปแบบจะสำคัญอะไรมันสำคัญที่สภาวะภายในสติถูกต้องไหมสมาธิถูกต้องไหม ท่านสอนแขกท่านก็บอกว่าพิสูจน์ทั้งหลายให้เธอคูบันลังตั้งกายตรงๆดํารงสติเฉพาะหน้าไม่มีคําว่าหลับตาพิสูจ์ทั้งหลายให้เธอคูบันลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าไม่มีหลับตาด้วยดํารงสติเฉพาะหน้าหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสิ่งใดปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาที่เป็นปัจจุบันก็มีสติรู้ทันไปสิ่งใดปรากฏขึ้นในกายก็รู้สึกสิ่งใดปรากฏขึ้นในใจก็รู้สึก ถ้าจะทมอนาปนาสติท่านก็สอนต่อบอีกภิกษุทั้งหลายนะให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดงํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวทําไมหายใจออกก่อนถ้าหายใจออกก่อนนะจิตจะไม่เกล็งขึ้นมาถ้าหายใจเข้าก่อนนะจิตจะเครียดเครียดแข็งแข็งขึ้นมาจะดัดแปลงจิต้าหายใจออกก่อนนะจิตจะเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่มีแรงที่จะ เกรงตัวเองขึ้นมาจิตจะเบาๆดูง่ายของเราก็ไม่เอางั้นน้าส่วนใหญ่ก็หายใจเข้าก่อน <c oughs> แข็งปึ๊กเลยนะ <c oughs> เพราะอะไรเพราะเราติดกับวิชาลมปราณวิชาพวกนี้มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะวิชาที่เล่นลมหายใจแล้วให้เกิดพลังเราคุ้นเคยอย่างเนี้ยวนเวียนอยู่ในสังสารวัตก็คุ้นอยู่อย่างเนี้ยพอได้ยินพระพุทธเจ้าบอก <c oughs> พิสูจนทั้งหลายหายใจออกยาวให้รู้หายใจออกยาว <c oughs> หายใจเข้าไว้ก่อนบางคนเถียงอีกนะว่าไม่หายใจเข้าแล้วจะหายใจออกได้ไงอย่างก็พูดว่ายังก็ว่าในปอดนี่ไม่มีลมอยู่เลยหายใจออกนิดหน่อยก็ได้มีนิดเดียวก็ออกนิดเดียวนะท่านบอกหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวทำไมต้องยาวบางคนก็ไม่เข้าใจอีกพยายามให้ยาวที่สุดเท่าที่ยาวได้แนะทบขาดใจนะหายใจยาวเนี่ย ปกติที่หายใจอยู่ตอนนี้เรียกว่าหายใจยาวนะมันต่างกับหายใจสั้นยังไงเวลาที่จิตจะรวมเนี่ยจิตจะหายใจสั้นลงเรื่อยๆสั้นหมายถึงตื้นขึ้นเรื่อยๆหายใจตื้นๆตื้นๆตื้ น, นจนกระทั่งเหลือปลายจมูกนิดเดียวแล้วหยุดหายใจไปเลยถัดจากนั้นจะรู้สึกเหมือนหายใจทางผิวหนังแล้วนั้นเป็นสภาวะตอนที่จิตจะเลิกหายใจลแล้วนั่นใน สติปัฏฐานเรื่องอนาปนาสติให้มันเริ่มต้นจากหายใจยาวหายใจสั้นแล้วก็หยุดหายใจหยุดหายใจก็ได้นะถ้าใครฝึกไปก็หยุดได้นานนานกว่าคนทั่วทั่ไปเพราะว่าไม่มีเมตาบริสุทแต่ไม่ต้องเรียนนะเดี๋ยวยุ่งไปนี่หลวงพ่อยกตัวอย่างให้ดูว่าพวกเราชอบตีความให้ยุ่งท่านบอกหายใจยาวหายใจธรรมดานี่เองก็ต้องยาวกว่าปกติ <c oughs> บรรยาไม่พอพยายามเพิ่มพื้นที่หายใจเนะอย่าเพี้ยนนะเพี้ยนฉันบอกหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวคีย์เวิร์ดอยู่ที่รู้หายใจปกตินี่แหละเรียกว่าหายใจยาวจิตยังไม่รวมตอนที่จิตรวมนั้นหายใจสั้นเพราะฉั้นหายใจธรรมดานี่แหละแล้วก็รู้ พิสูจทั้งหลายให้คู่บันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวให้รู้รู้มี2รู้รู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติเนี่ยก็คือรู้ถึงร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ลืมการหายใจนี่เห็นร่างกายนี่หายใจอยู่รู้อยู่ปัจจุบันร่างกายกําลังหายใจรู้ด้วยปัญญาก็คือรู้ว่าตัวที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรา เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอันหนึ่งเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายนี่หายใจนี่เรียกว่ารู้นะหายใจยาวก็รู้จิตเป็นคนดูรู้อะไรรู้ว่าตัวนี้กำลังหายใจอยู่ไอตัวที่กำลังหายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรานี่นะทูตเจ้าสอนมามุ่งมาตรงนี้ให้เห็นว่าไม่มีตัวเราถอดถอ น, ถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนของเรารุ่นหลังๆพอได้เรียนานาปนสตินะาหายใจเข้าหายใจออกเลยเนี่ย อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะนะบางคนก็เติมสิ่งที่พระเจ้าสอนขึ้นไปอีกเยอะแยะเลยว่าทำอย่างนี้แล้วจะดีทำอย่างนี้ต้องดีหายใจธรรมดาไม่ดีหรอกต้องมีสติรู้ตั้งแต่ลมกระทบจมอยปากลมกระทบปลายจมูกลมกระทบเพดานเข้าไปอยู่ที่เพดานลนะลมกระทบที่คอนะลมกระทบที่หน้าอกลมกระทบที่ท้องเนี่ยรู้ลมกระทบตรงน้อนตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยสอนไหมบอกภิกษุทั้งหลาย เวลาเธอหายใจนะให้รู้จุดที่กระทบ1 2 3 4งสอี่ห้าหกไม่เคยสอนนะเราทําเองแล้วทำเอาเองนะอันนั้นมันเป็นหลักของวิชาสมถะแล้วฤศีชีพายทามาก่อนเนี่ยมันติดคุ้นเคยกับการทำ ส, ทำสมถะคุ้นเคยกับเรื่องการเล่นลมปราณเราไม่คุ้นเคยกับการเจริญสติดังนั้นท่านสอนง่ายๆนะท่านสอนหายใจแล้วก็รู้สึกไปหายใจแล้วก็รู้สึกไม่ใช่ว่าลมหายใจมีกี่จังหวะ หรือท่านสอนเดินพิกูุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่ท่านไม่เคยสอนเลยว่าเดินมีกี่จังหวะรุ่นหลังๆเอามาสอนกันใช่ไหมสอนในสิ่งที่เกินที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกว่าเราไม่ใช่ฝ่ายเทราวาดที่แท้จริงแล้วฝ่ายเทราวาดเนี่ยตอนที่สังคยนาแลเนี่ยพระมหากรสปาท่านเสนอยติกับคณะสงฆ์บอกพวกเรามาลงมติกันนะเราไม่เติม สิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้เราไม่ตัดสิ่งที่ท่านสอนแล้วออกไปนี่พวกเราชอบเติมมากเลยท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่เราก็ต้องเดินมีกี่จังหวะเดินอย่างนี้ถึงจะถูกเดินอย่างนี้ไม่ถูกต้องยกเท้าสูงจากพื้นเท่านี้ก้าวหนึ่งต้องยาวเท่านี้นเดินแต่ละก้าวจะมีกี่จังหวะจังหวะหนึ่งใช้เวลากี่นาทีอะไรเนี่ยนี่สิ่งนี้เราพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยมันคือสมถากรมาฐานทั้งสิ้นเลย มันต้องระมัดระวังนะสิ่งที่ท่านสอนน่ะง่ายๆภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่รู้ด้วยอะไรรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญารู้ชัดว่าเดินอยู่มีสติเห็นร่างกายมันเดินอยู่ไม่ลืมไม่ลืมที่จะรู้ร่างกายที่เดินไม่ใช่รู้เท้านะไม่ใช่รู้พื้นที่เท้าไปเหยียบด้วยรู้สึกถึงกายเห็นกายมันเดินเนี่มีสติรู้ว่ากายมันเดินอยู่ มีปัญญารู้ว่าตัวที่เดินอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นรูปมันเดินไม่ใช่เราเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนรูปมันยืนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนนี่เรียกว่ารู้ชัดรู้ชัดคือรู้ตรงตามความเป็นจริงตรงความเป็นจริงหมายถึงว่าตรงตามปัจจุบันด้วยปัจจุบันก็คือรูปนี้กำลังเคลื่อนไหวอยู่กาลังเดินอยู่รูปนี้กำลังหายใจอยู่นี่เรียกว่ารู้ตรงความเป็นจริง ความเป็นจริงมันอยู่ในปัจจุบันตรงที่รู้ลงปัจจุบันนี่แหละรู้ด้วยสติรู้ตามความเป็นจริงอีกการหนึ่งก็คือเห็นความจริงคือเห็นไตรลักษณ์รูปที่ยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่นะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในสภาวะแด่นหนึ่งไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราอันนี้เรียกว่ารู้ด้วยปัญญารวมแล้วสองรู้ถึงจะเรียกว่ารู้ชัดรู้จริงนะรู้ด้วยสติ รู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของใจรู้ด้วยปัญญาคือรู้ความจริงว่ากายนั้นใจนั้นไม่ใช่ตัวเราแล้วเราฝึกนะเราฝึกมีสติเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานอย่าไปดัดแปลงหลวงพ่อก็เคยสงสยัยนานนักหนามาแล้วนะสมัยน้นหลวงปู่เทศยังอยู่มีอยู่วันหนึ่งไปหาท่านไปกับพี่วัยละมังแล้วท่านให้ไปอยู่กุฏิเก่าท่านตอนนั้นสร้างบนดบนะักุฏิเก่ายัางไม่ล้ กุฏิเก่ากับมนต์กก็ห่างกันไม่กี่เมตรมองเห็นกันกลางคืนนะเราก็เห็นท่านเดินจงกรมเราไม่กล้านอนนะท่านเดินทั้งคืนเลยเดินด้วยเลยโอ้หลวงปู่ผมง่งหลวงปู่ยังไม่ยอมนอนตั้งทีเราก็ไม่กล้านอนนะนักปฏิบัตินะครูบาอาจารย์ยังไม่นอนเราไม่รีบไปนอนนะเสร็จแล้วท่านเดินเดินโอ้เราเต็มประดาแล้วก็นั่งไปท่านนอนเราก็ดีใจเราก็รีบนอนบ้าง หนาวจัดเลยนะตีหนึ่งกว่าความันหนาวมากก็ตื่นขึ้นอุ้ยหลวงปู่เดินอีกแล้วนะมองไปในมนดบท่านมันเป็นกระจกอะมองทะลุเข้าไปได้เดินเห็นท่านเดินตะคุ่มตะคุ่มอยู่ใจมันเกิดสงสัยขึ้นมาเออหลวงปู่เดินจงกรมเนี่ยเดินท่าไหนเนี่ยใจมันเ u e s t i o ขึ้นมานะนึกในใจถามท่านนะหลวงปู่ท่านเดินจงกรมเขาเดินกันท่าไหนต้องอย่างนี้รูนะ้เปล่าหรือจะไว้ข้างหลังดีนี่เรามีอยู่สองท่าท่านน่ะถ้าไม่ข้างหน้าก็ข้างหลังนะ หลวงปู่เดินให้ดูเลย <laughs> อ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วท่านก็เอามือลงท่านก็เดินของท่านไป <laughs> <laughs> ท่านสารอะไรรูปเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปไม่ใช่ว่าต้องเคลื่อนไหวแบบไหนตัวที่สําคัญไม่ใช่อยู่ที่ตัวกริยาอาการตัวที่สําคัญอยู่ที่ว่ามีสติมีปัญญาที่จะไปรู้ไหมนะนั้นเราอย่าไปให้ความสําคัญกับเปลือกต้องให้ความสําคัญกับ สติปัญญาที่เป็นเนื้อหาเป็นสาระแก่นสารจริงๆมีสติจริงหรือเปล่าหรือว่าสติจอมปลอมกําหนดไว้เพ่งไว้บังคับไว้มีปัญญาเห็นความจริงคือไตรลักษณ์หรือเปล่าหรือว่าคิ ด, ค, ด, ค, ดคิดเอาเองถ้าคิดเอาเองไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงเฉะั้นตัวสําคัญอยู่ที่เรามีสติมีปัญญาไหมปัญญาจะเกิดจากอะไรเกิดจากจิตมีสัมมาสมาธิจิตที่มีสัมมาสมาธิเป็นจิตที่ตั้งมั่น ในการรู้อารมณนะ์ไม่ไหลเข้าไปอยู่ที่ตัวอารมณ์ตัวนี้ก็ต้องเรียนพวกนักปฏิบัติทั้งหลายที่ล้มลุกคลุกคลานไม่เลิกนะทํามานานแล้วไม่บรรลุมรรคผลหรือบางคนบรรลุมรรคผลเหมือนกันแต่คิดเอาเองไม่บรรลุจริงหรอกชอบคิดว่าบรรลุทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่บรรลุหรอกส่วนใหญ่ที่ทํามันไม่สําเร็จเนะื่อเพราะขาดสัมมาสมาธิตัวที่ทําให้เรามีสัมมาสมาธินั่นะคือบทเรียนในศาสนาพุทธที่ชื่อว่าจิตศิค ข, ขาการเรียนเรื่องจิต บทเรียนในศาสนาพุทธเลยมีสาบทมีเรื่องศีลสิกขาทำไงากายวาจาของเราจะเป็นธรรมชาติธรรมดานะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองมีจิตสิกขาเรียนไปจนรู้ว่าจิตชนิดไหนเป็นจิตที่เป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลชนิดไหนใช้ทําสมถะชนิดไหนเป็นวิปัสสนาใช้ทําวิปัสสนาตัวที่ใช้ทําสมถะนะั้นจิตจะไหลเข้าไปเช่นไปดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้อง ไปเดินจงกรมจิตจะไหลไปอยู่ที่เท้าไปรู้ลมหายใจจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมนะแต่ถ้าตัวที่เป็นสมาสมาธิจะตั้งมั่นอยู่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันนั่งยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูมันจะแยกกันอยู่ใจจะตั้งมั่นใจจะไม่ไหลเข้าไปในอารมณ์เรียกว่าจิตตั้งมั่นคือไม่ไหลเข้าไปตัวเนี้ยพวกเราอาภัพมากเลยพวกเราไม่เรียนกันเวลาเรียนจิตสิกขาเราก็คิดว่าคือการเข้าฌานไม่ตื่นขนาดนั้นหรอกน ถ้าเข้าฌานแล้วเป็นจิตสิกขานะพวกฤาษีชีพไฟก็เกิดปัญญาหมดละเพราะถ้ามีสัมมาสมาธิปัญญาจะเกิดฤาษีชีพไฟจะบรรลุพระอรหันต์าาก่อนพระพุทธเจ้าฉะั้นจิตสิกขาไม่ได้ตื่นแค่ว่าเข้าฌานจิตสิกขาเราเรียนจนกระทั่งเราเข้าใจลักษณะของจิตที่เป็นกุศลและอกุศลที่จะใช้ทําสมถะและใช้ทํำวิปัสสนาไม่เหมือนกันพอจิตจะไตั้งมั่นขึ้นมาอย่างแท้จริงนะีถึงจะไปเจริญปัญญาสิกขา ใชบทเรียนที่สศีลสิขาจิตศิขาบทสุดท้ายคือปัญญาศิขามีสติรู้รูปนามนะรูปที่กำลังปรากฏนามที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนร้อนี่รู้ก็ไม่เหมือนกันนะเวลารู้รูปนะมีสติรู้รูปที่กำลังปรากฏแต่รู้นามที่เพิ่งดับไปสดสร้อนร้อนด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิจิตจะไม่ไหลเข้าไปจิตจะตั้งมั่นอยู่ต่างหากโดยที่ไม่ได้ประคองไว้ จิตจะตั้งมัน่นจิตจะเบาจิตจะอ่อนจิตจะนุ่มนวลจิตจะคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานจิตชนิดนี้แหละคือจิตที่จะใช้เดินปัญญาในพระไตรปิฎกก็พูดเรื่อยๆนะพระทั้งหลายท่านทําสมาบัติทำสมาธิเข้าอัปปนาผดถอยออกมาแล้วมีจิตที่เบาจิตที่อ่อนจิตที่นุ่มนวลคล่องแคล่งวว่องไวควรแกการงานแล้วน้อมๆจิตนี้ให้เกิดญาณทัศนะคือมีสติไปรู้กายรู้ใจก็จะเกิดญาณทัศนะคือเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นพอจิตตั้งมั่นนะ แล้วก็สติระลึกรู้กายจะเห็นกายไม่ใช่เราเมื่อมีจิตตั้งมั่นอยู่แล้วสติรู้เวทนาก็เห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่สติไประลึกรู้กุศลอกุศลนันะ่นก็เห็นว่ากุศลอกุศลไม่ใช่เราเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่แล้วสติระลึกรู้จิตดวงก่อนก็จะเห็นว่าตัวจิตก็ไม่ใช่เรานะตัวจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ย <Le> ภ <ach> าวนาอย่างนี้นะถ้ามีสติมีสัมมาสมาธิคือมีที่ใจที่ตั้งมั่นก็จะเกิดปัญญา เห็นทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราผู้ใดเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราเรียกว่าพระโสดาบันดูต่อไปอีกจนปัญญาจแจ้งกายนี้ทุกรวนล้ว น, วนจิตนี้ทุกรุนรว น, ลวนสลัดคืนกายคืนจิตให้โลกเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกถัดจากนั้นนะั้นไม่มีอะไรย้อมจิตได้อีกแล้วโดยที่ไม่ต้องระวงังไม่ต้องรักษาไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้อีกต่อไปเป็นอิสระอย่างแท้จริงเลยคนทั้งหลายไม่มีสารภาพคนทั้งหลายนะั้นจิตจะไปปรุงกิเลสขึ้นมาก่อน นะเช่นปรุงความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาแล้วก็กิเลสนั้นนะกลับมาปรุงจิตเข้ามาครอบงําจิตความโลภความโกรธความหลงที่เราปรุงขึ้นมาเองนะมันมาครอบงําตัวเราเองนี่พระอราหันต์นะท่านไม่ปรุงกิเลสขึ้นมาแล้วกิเลสก็ไม่มาปรุงจิตท่านไม่มีอะไรปรุงได้อย่าว่าแต่กิเลสจะปรุงอะไรกูศนยังปรุงไม่ได้เลยนั่นะต้องเรียนให้ดีนะไม่ใช่มั่วๆเอาเรียนไม่ดีอยู่ๆก็ไปเดินโน่นนั่งนี่อะไรนะบ้าๆชอบพิ้วกระโตงกระเตงมา รักษายากนะถ้ามากมากกว่านี้คงไม่ไหวอะวันๆจะกลายเป็นเปิดโรงพยาบาลเดี๋ยวสาณสุขมันจะว่าเราเปิดโรงาบานบ้าแข่งกับหมอเรียนให้ดีนะเราจะได้ไม่บ้าเรียนให้ดีนะจะได้มรรคผลนิพพานจะได้มีความสุขฆราวาสก็ทำได้มรรคผลนิพพา น, นไม่ใช่ว่าเหลือวิสัยเอาเชิญไปทานข้าวเกินเวลานิดหน่อย